<c oughs> อ่าลองทำต่ออีกเรามีงานมิการเราก็พูดเรื่องงานเรื่องการของเราการ ทำมานทำการเป็นอาชีพเจ้าไล่เจ้านาทำนาทำไรเพื่อได้ม็ดข้าวเพื่อได้อาหารการกินม็ดข้าวอยู่ในกระสอบดอกอยู่ในสวน แม่บ้านแม่ครัวเอามาปรุงเป็นอาหารให้งานไมคานชนปรุงเป็นอาหารได้อยู่ได้กินล้วก็มีชีวิตมีเลือดมีเนื้อแม่โรคอด <c oughs> โรคน้อยนอนกลางคืนมีชี่มีเยี่ยวเยี่ยวใส่ที่นอนหมอนนุ่งผ้านุ่งผ้าห่ม แม้ลูกอ่อนก็ต้องครัวผ้าคัวที่หลับที่นอนให้สะอาดถ้า ใ, ใช่ได้สิ่งไหนมันใช่มาได้ทำํำไมมันใช่ได้ก็ห้องน้ําห้องน้ําสุขภัก็ต้องครัวห้องน้ําให้มันสะอาดตื่เช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันมันไม่สุขภั ให้มันจะอาดขึ้นมาเพื่ให้มันใช้ได้นี่คืองานของเราเราในความหลงก็ต้องวควบควมหลงให้มันไม่หลงเราในความทุกข์ก็ต้องควบความทุกข์ให้มันไม่ทุกข์ให้มันเช้ได้ควมทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันใช่ไมาได้มีศรัทธา ในความเพียรมีความใส่ใจตั้งไว้จะทำอะไรตั้งใจทำาใจทำมานไม่กลัวความยากลำบากไม่กลัวความสะดวกสบายอะไรคนทำมาน ใครจะช่วยไม่ช่วยไม่เกี่ยวเราจะทําจะได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเราจะทํะเเาทเอาไล่ชอนนาทํานาทําไร่ไม่ใช่เรียกร้องควาสะดวกความสบายพอใจในการกระทำเดี๋ยวจะออกฝนจะตกไม่กลัว ไม่คิดว่าจะได้กำไรได้ขาดทุนก็ แ, แต่ทำให้มันดีปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราจะทำจะมีสตินั้นก็เป็นรุ่นเป็นค้อนอยู่จะมีความเพียรก็เสงออกมามีภาวนาก็ขยันให้มันมากขึ้นมันทำได้มันพ่องโดยเพราะ า อ, อ, อากุศลที่มันมีอยู่ให้มันหมดไปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่มีให้มันเกิดขึ้นมาอากุศลที่มีแล้วให้มันเสื่อมมันทำได้เงินเห็นมันสมผัดเป็นกรอบเป็นคำรรขึ้นมา จนมันใช้ได้สาลาหอวใจมันน้อยมันไม่พอนั่งเมื่อคนมามากอาจารย์ทรงชินต้องขัวหอวใจให้มันมากให้มันใช้ได้อะไรมันไม่ดีขัวมันให้มันดีขึ้นมามันทาได้ชีวิตของเราเนี่ยในเรื่องของเราแค่ๆเรื่องกายเรื่องใจ เราก็ไม่ได้จะทิ้งให้มันเป็นการบ้าอะไรบ้าม า, มาให้มันจบไปซะเอากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหมดไปเอากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วเอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมันไม่ใช่ลี้รับเค่นเวลาเรา สติมันเห็นเห็นอกุศลเห็นความหลงเห็นความทุกข์เห็นความพอใจขอามไม่พอใจอย่าเที่ยงไว้มีความเพียรลงไปใส่ใจลงไปตั้งห้อยลงไปทําให้มันหมดไปไม่ให้มันเกิดนห้มันก็นทําได้ไม่เหมือนชาวนาชาวไร่เขา ชาวนาชาวไรต้องเสี่ยงมันไม่แ้งมันไม่ท่วมแต่กุศลนะกุศลไม่เสี่ยงน่าจะกระตือรือร้นมันงอกมันงามขึ้นมาต ว, วันโตคืนขึ้นมาได้จริงจริงเพราะอะไรเพราะเราทำกับมือกับกายกับใจของเราขายก็อยู่นี่ ไม่มีอะไรมาท่วมกายให้มันหมดไปใจก็อยู่นี่ไม่มีอะไรมาท่วมมันยังเป็นใจอยู่แต่มันไปรับใช้อันเือดเฉยเฉยมันทำได้มันหลงไม่หลงได้เนี่ยมันทุกข์ไม่ทุกข์ได้อย่างเนี้ยมันมีปัญหามีปัญญาได้อย่างเนี้ยก็จะมาขัวมันใครที่ยงไม่จบก็ขูวลุงปอยอย่ามาห่วง ขอผู้ใดที่พัวมีโอกาสแบ่งกันบ้างออกไปคัวกันองอาหารองก์พักดูแลทุละไปเจ้าอธิการต่างๆไปส้มแสม เจ้าธิการคลังแจกสิ่งของเจ้าธิการเสนาชนะแจกที่อยู่อาศัยเจ้าธิการฎีวนก็ใช้ไม้สอยก็แจกลงไปทำลงไปต่เย็บผ้าเช่นแมต้องทำก็เย็บผ้านี่มันดีกว่าเก่าเย็บเชือกถ้ามันมีขอบมันจะได้ใช้งานได้ หมอนมันมูมันไม่เราเดดออกก็คิดเห็นแดดมันนี้ประโยชน์อะานเอาหมอนที่คนใช้ก็่วนใหญ่ตาแดดเป็นแม่ขัวแม่บ้านใครก็ตามถ้าทำให้มันเกิดขึ้นแ่้แม่จะเป็นพระก็เป็นแม่ทำสีที่มันไม่ดีให้หนีขึ้นมาเหมือนแม่ลกอ่อนผ่ามันสชกปกคซับค่ะ แม่มันยิ่งใหญ่ใน刹那เป็นชีวิตทั้งชีวิตนี่สามารถเป็นทั้งพอ่อทั้งแม่ได้ทั้งเม่อมันเกิดขึ้นมาอะไรยังไม่เกิดถ้ามาเกิดขึ้นโคตรนกมาก็ไม่หลงโคตมันองมาก็ไม่ทุกข์ก็ไม่โกรธให้มันเกิดขึ้นจาก การทำของเราไนี่ยทไมจะต้องไปปล่อยงานทิ้งควางว่ายุ่งเหยิงงานยุ่งเหยิงงานก็ไม่ใช่ชีวิตของเราชีวิตของเราควรจะมีชีวิตได้ชีวิตชีวิตคือมันไม่เป็นอะไร มันสุขไม่ใช่ชีวิตมันทุกข์ไม่ใช่ชีวิ ต, ม, ม, วตมันไม่ต้องสุขมันไม่ต้องทุกข์คือชีวิตมันอยู่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นมันมาให้เราทำมันไม่ใช่มาให้เรารับใช้มันอย่างที่เราสาธเอพุทโธถอนความพอใจและความไม่พอใจในลูกออกเสียได้ มันก็มีอยู่เวลาเราไม่ติมันจะฉายออกมาเหมือนเรามีตาดูจอจอโลกจอทีวีจอโทรทัศน์แล้วก็มีจิดูอะไรที่มันไม่ดีอันจอโทรทัศน์นั่นเขาให้ข้อมูลเราทีม่มนออกมานะแต่ชีวิตเราเนี่เราให้ข้อมูลเราเอง ทำไมจะปิดไม่ได้ปิดมันใชให้ข้อมูลใหม่ให้มันดีๆมันหลงข้อมูลไม่ดีเปลี่ยนไม่ให้หลงให้ข้อมูลเขาไปใมันี่มันทำได้แน่ถ้าดูตัวรสชัดก็กดแะ่รกดรีโมทหรือกดอะไรฮะ <laughs> นั่งอย่างนี้ไม่ต้องไปเปล่ยโกรธอย่างนี้หลังพ่อโกรธไม่เปลี่ยนหรอกปลอกพ่อกรมกดให้ดูก็โกรธไม่เปลี่ยนจะนั่งอยู่ในห้องพักหลวงพิบานจุฬาเก่าวิจารย์ตุ้มเขาเปิดห้องพักให้จะขอพักบ้านเกิดบ้านเกิดที่จุฬา ยังไม่เลือนตึกตึกอ่าเลยอัลโหอ๋อเขาให้พักในทีวีให้บอกลุงผู้กองเปิดให้สักหน่อยยื่นรีโมทไปเขาไม่เอาถ้าไม่เป็นเราก็เปิดไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยดูเลยอันนั้นเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ทำไม่เป็นก็ทำไมได้แต่ว่า สิ่งที่มันอยู่กับเราเราทําได้แปดหมีพันอย่างกุโกุศลปิดเลยกุศกเปิดออกมาได้ไหมปเปิดได้ไหมปิดได้ไหมไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไหมฉันทางภาวติวิริยาพระมติกิตตังปะกันนาติเวรปะคันนาติไม่มีความเขียนไม่มีสติไม่สมาธิมมีศรัทธา มันต้องตายไม่ความหลงให้มีศรัทธาไม่หลงไม่ความทุกข์ไม่ศรัทธาไม่ทุกข์อย่าประศรัทธาความหลงความทุกข์พระเจ้าเขาลบพระธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมศรัทธาตรงนี้พระเจ้าเคารพตรงนี้ มาแล้วไม่ครบมาหลายถึงไม่ต้อนเราซักสะพานออก <c oughs> นั่นก็ไม่ท่องเที่ยวหรอกเอากุศนไม่ท่องเที่ยวบางทีมันหมดไปเลยนะเช้น <c oughs> ในป่าเนี่ยแต่ก่อนเมื่อเรายังไม่มีบ้าผู้คนไม่มากเสียงรถเสียงลาไม่มี ชาต์บางประเภทยังมีเยอะต้นไม้บางเพศก็มีเช่นต้นไม้ที่หมดไปในเวลานี่คือต้นชาติเราเนี่ยชาต์เนี่ยไม่ใช่ชาตไม่สองชาต์อะไรเรียกไม่ถูกต้นพันชาติ ต, า ต, ต้นชาต์ต้นชาติต้นสะแบงต้นกุง้งงนะ มันเป็นไม่พวงตระกูลเดียวราคาเหมือนกันแต่ว่าต้นชาติมั น, มนดีกว่าถ้าจะตามที่เราใช้ทุกคนมันหมดไปแล้วไม่ต้องข้ามมัาตายลงไปยืนตายอยู่นป่ามันไม่ต้องการให้ใครมารบกวนมันแต่ก่อนต้นชาติชาติชาติเอ้ยอะไรนะ <laughs> มันมีฝอยลมฝอยลมเต้อยู่ตามสัตว์มันเย็นมันิงบกมนมีฝอยลมมันหล่นลงมาเอาไปมาเจ็บไปเจ็บไปใส่ถุงไว้เวลาปวดท้องลงอืดอดัดต้มจินลงไปหอยปั๊บเลยเดี๋ยวนี้ไปมุดโลกไหนไม่มีแล้วหาที่ไหนไม่มีแล้วแต่ก่อนมันมีอยู่เนี่ยไอ้ดง สุกโตนต้ น, ตนสดวช้างหมดไปแล้วต้นไมืไหรบางเภศหมดไปแล้วมันเปาะบางใจศอกโชปโนโก็หมดไปแล้วนุก ม, มกระบาดงหมดไปแล้วแต่ก่อนมันเรียกล้องให้เราลุก แจ้งแล้วหลงพ่อแจ้งแล้วตลอดคืนเลยถ้าไม่ตั้งใจฟังนึกว่ามีใครมาเรียกให้ปุกมันเรียกให้ตื่นเขาหลงเขาเยะนกกระบ า, ามีสามพันกระบาโคกชกชกกจลรอเดี๋ยวนีวนวาาววว้หมดไปแล้วกระบาบทางช่วงช่วงช่วงหมดไปแล้วกระบาบดองแย่งแล้ว ร่วมหรือหมดไปแล้วแสงแฉวก็ไม่ได้ลอ้องอะไรหลายหลายอย่างที่ไม่ลองทุกุ่มตุม้มปุ้มก็ไม่มีแล้วก็แจนแวนก็ไม่มีแต่ก่อนพวกนี้มันบอกได้ดูเราต่อกระเต็นนะแค่ภาพแค่ภาพแ ต, ต่งว่าน้ำจะมาก แดินไหวดิ น, นล่องล้วผลจะหมดเจยวนี่ไม่มีแล้วคิเลสมันก็หมดไปได้ถ้าเราครอบมันได้ไหมอันฉัดธรรมชาติมาหมดไปก็ก็ก็เพราะคนต้นไม้มันไม่ต้องการอะไรเสียงรดเสียงลาไม่ต้องการคนมามีมาก มันก็หมดไปชาติต้นใหญ่ตายขนาดตายแล้วตัดลงมาอย่างเกณฑแดงฉยยยังใช้ได้อยู่เลยนี่หมดไปแล้วชีวิตของเราเนี่ยเอาเลยที่มันหมดไปไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ต้องไปฆ่ามันก็ไม่ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องมันอกุศลมุดไปจริง เนะจงพูดอยู่จะเมังว่ามันขั้งสุดท้ายอวกุศลจ่ากุศลจ่าทั่วไปเป็นมากเป็นผลอวกุศลนนบอดไปเลยบอดจริงจริงอากุศลนั่ไม่ได้ใช่มันมันก็บอดมันเข้าเปลือกก็ไม่เอามาวาน สามปีบดเลยเพราะไม่ขึ้นหมดเชื่อเลยเอกุศลก็เช่นกันไม่ได้ใช่เลยความสุขก็มาได้ใช้ความทุกข์ก็มาได้ใช่ก็เลยมีชีวิตชีวิตมันไม่ต้องเป็นอะไรนะไแล้วทำไมเราต้องมาผู้แพร่แพร่อยู่เกิดมาในชาตินี้ไม่ใช่มาเป็น ทุกๆแบบนี้ไม่ใช่มาหลงๆโกรธๆลักๆชังๆอยู่แบบเนี้มันจะอาศัยกันได้ยังไงตัวเราก็อาศัยตัวลมอะไรไม่ไไมัม่นใจตัวเราเองมั่นใจมีอะไรสาละที่มันจะมีอะไรมัดเสืต่ตรงไหนชีวิตของเราเนี่ยน่าจะสบัดงื้อสบัดผ้าดูสักหน่อยเอาผ้าก็หมัวอยู่ หลงพ่อ เ, เทียนก็สอนพวกเราเอาผ้าคุมหัวดูสิแล้วก็ผ้าคุม เ, เดินไปถ้ามันหลุดออกวิธีใดผ้าจะหลุดเดินไปให้ว้าหลุกเออให้มันเป็นอย่างนั่นน่ะให้เหมือนกับผ้ามันคุมหัวอยู่หลุดออกไปนะลงนานละธรรมะเอามือไปแตะ ทรา ย, ยาน้ําอเมสขาดทรายเอามาเท้าไปเหยียบไปเหยียบตรงนี้ดูพอเหยียบแล้วมันจือดโอ้ใหออ้เป็นอย่างเนี้ยด๊อกขาขึ้นมันก็ซึมขึ้นมาเป็นสีน้ําสีอะไรพอไปรเหยียบแล้วมันจือดเฮ้ยเป็นเนี้ยเหมือนกับเอามือไปไ ป, ไปแตะคนเด็กน้อย รู้จากก้นเด็กน้อย ไ, ม, ไม่ลู ก, ก่อนลูบลูกมาไม่ลุ่งผ้าเอามือไปเตะมันจะขาวผกลงไปมันจะขาวแล้วยกหมวกผิวหนังเด็กเขาจะแดงอเออพะมือไปเตะมันจืดเออ้มันจืดแบบน้มันจืดมันจืดมันไม่มีรสชาติ ก็ไม่มีรถทุกข์ไม่มีรถโกรธโรลภหลงรักักชังชังไม่มีรถชาติเลยเป็นชีวิตชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้คือไม่เป็นอะไรแบบนี้ทำไมจะต้องไปทุกข์การเจ็บการแช่การเกิดการตายอะไรไม่ต้องไหนนี่มันเบาบางที่สดด้วยใจโศพียงแต่คิดเฉยๆก็ทุกข์แล้วนะ อะไรที่มันเกิดจากรูปเปนามก็ทุกแล้วมันเป็นรูปมันเป็นนามรูปหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นตกอยู่ในความไม่เทีย่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตน่ชื่อว่ารูปว่านามเนี่ยจะไปเรียกร้องอะไรจากมันใช้มันให้มันบอกเราร้อยบทเรียนจากมัน พอเห็นรูปเห็นนามมันจะบอกทิศทางไปเลยได้หลักฐานมันจะบอกสรุปสุดยอดไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์สรุปให้วงเล็บไปเลยทีเดียวรูปนามนะมันก็แสดงอยู่เสมอแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอ แล้วทำไมต้องไปทุกข์เพราะความไม่เที่ยงฉั้นบอกเราแล้วทำ <c oughs> ไมเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะความมาใช่ตัวตนเหมือนกับรถมันวิ่งไปดึงไว้เหลือรถไฟมันจะออกจากสถ า, านีสถานีเราไปดึงมันหัวล่างข้างแตกไปกลอกปอกเปิ่นไปลูกมันจะ เป็นอย่างนั้นน้ำจะเป็นอย่างนั้นมันตกอยูในความาเที่ยงตกอยความปรรทุกตรงยู่ในความ ไ, ไาม่ใช่ ต, ตัวตนอดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยพอเหตุแจ้งมันก็มืดทั้งหมดไปเลยแก้งที่หัวใจไม่เหมือนแจ้งที่ไปดีอ่อน ยาเกิดขึ้นแล้วจะเหลาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเหลาปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเหลามันเกิดเาช้ให้มันเกิดมันเกิ ด, กดทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เตาอไม่วิชาสังขารก็ดับสังขารดับนามรูปดับ นามโลกดับอเยตะนัดับภัตตาดับอเยตนาดับตันหาปัจจันดับภพบชาติดับชฉลาวราโสกกะปะเทวทุกดับไปแบบนั้นถ้ามีอวิชชาก็มีสังขารมีนามโลกมีอเะเกิดไปเกิดไ ป, เ ก, ดไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดจบกิดทุกข์อยู่มันก็ลัดนิ้วมือเดียวนะธรรมะนะ เป็นความสนุกนะยิ่งพวเราเปนนักปวชอยู่วัด น, น, นี้สนุกสนุกอยู่บ้านเนี่ยมันเศ้าหมองไม่มีใครทุกวันนี้ยิ่งแย่อะไรกชาวบ้านนะไม่รู้จักกันเลยตัวใครตัวมันนะแต่พวกเราเนี่ยโอ้ยเห็นกันท ำ, ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไปคบไปฉันเดินอยู่นี่เห็นหน้ากันอุ่นอกอุ่นใจ มีทั้งพระหนุ่มเพะะเจ่แม่คีหนุ่มแม่คี้เจมีทั้งอยาทั้งโยมมาอยู่ด้วยกันไหนวันสนุกมันอุ่นใจนะแต่เราไม่เข้าใจว่าชอบความสงบมันไปใช่จะสงบมันหมายถึง ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้คนมันหมายถึงจิตใจของเรามันไม่เป็นอะไรเราจึงต้องไม่มีศรัทธาเถอะมีความเพียรในเรื่องนี้กันคั่กันได้เป็นพ่อขัวเป็นแม่ขัวใหมันใช่ได้ลาไม่ฉลาดขวดให้มันชาาด กัวเสลาหัวผ้าหัวอาหารขัวที่หัวใช้อันต่างๆที่มันไม่ดีทำไมมันดีขึ้นบ้างนี่คืองานของเรางานชอบการงานชอบการเห็นชอบดำริชอบมาจาชอบ การงานชอบเรี่ยงชีวิตชอบ<ม>ความเพียรชอบมีสติชอบมีสมัที่ชอบจบไปเสร็จเลยปัดมือเลยไม่มีอะไรทํ า, าอีกน่า จ, จะเป็นครับพูดตองเฉพาะอดของผู้เจ้าชาชินแล้วธรมจันอยู่จบแล้ว กิจอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วแผ่นดินสุดเข้าอีกไม่ได้จะเก้าสุดแล้วแผ่นดินสุดไม่ใช่อยู่เทพสถิตเขาเขียนป่ะแบบแผ่นดินสุดไม่ใช่เทพจังอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ น, มนั่นเป็นแผ่นดินมันเป็นหน้าผามันเ้าวไม่ได้มันตกหน้าผาตาย ต้องถอยกับชีวิตสุดมัคือไม่เป็นอะไรมันจบความหลงก็ไม่ต้องเมินผลายความทุกข์ไม่เป็นผลายความโกรธไม่เป็นผลาญก็ไมพอใจก็มไม่พอใจไม่ได้เป็นผลาะต่อชีวิตของเราอยู่ต่อไปแต่มีชีวิตเป็นนิรันดรอมตต์หรือไม่เป็นอะไรมาจะทาน เป็นมาสถานชีวิตนะแล้วก็รัดสาธให้เราลัดความหลงไม่หลงลัดที่จุดความโกรธไปโกรธลัดที่จุดความทุกข์ไปทุกข์ลัดที่จุดตรงด้วยถูกต้องด้วยเนี่ยมันก็ลัดไปลัดไปลัดไปแบบนี้มันไม่เนิ่นช้าไม่เสียเวลา เรามมีความเพียรเรามีศรัทธามีสติสเป็นพลังเป็ น, เ, ปนเครื่องทุ่นแรงเฉืมเข้าไปมันหนักเพราะความโกรธเครื่องทุ่นแรงที่ยกให้มันเบาขึ้นมาม่เชื่ท่ามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญา เรียกว่าพละพละ 5, ห้าบุไใ น, นโพชีปักขีธรรมในพระสูต ร, ตรเครื่องตัดฉลูเป็นชีห้าพละ 5, ห้าอิทธิบาทสีเป็นจีห้าพระจงเกตมะวิองแปดขบวนกัน เสริมพลังงานยกของหนักนห้เป็นเบาเครื่องตัดรูปไมีอยู่ในคนเนี่ยไม่ใช่อยู่ในพระสูตรในตาําราในตู้แต่ท่าอยู่ที่ไหนกเพียนอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาที่ไหนเพียงแต่วับมันก็มีอยู่ที่เราแล้วทั้งหมดเลยเป็นมงจรทันทีเลย วาล้ที่ไหำอะไรมันสาเร็จแต่จบทันทีของง่ากเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบาไอ้ชีหายที่ไหนพระสงเกตดอยู่ที่ไหนมรรคองแปดอยู่ที่ไหนรวมแล้วคือดูดูเห็นไม่เป็น ด, ไไดูไม่ใช่ตาไปดูมิสฉิตเป็นดวงตามัก็ไม่รับไปลี่มันฉุกเห็นมันฉุกมันหลงเห็นมันหลงเวลาเราปรับควมเพียรดูมันมันใจออกมากแบบไหนอย่าไปหลบไปลี่กปกปิดช่อนเล่นไม่ได้ดูมันมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง มันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เป็นไปกับมันนี่มันก็อยู่กับเราคือทั้งหมดแล้วดูเป็นทั้งองค์มเป็นทั้งความเพียรเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาจับมาตัดมาลากมาเป็นพวงมันตรจัด บ่อยแต่ต้นมันดึงหรือบางได้ทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันความเพียรนนะ่ะจะบอกโอ้ยมันทำได้เนี่นะปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่างนี้นะก็ตื่โเต้น พอเห็นได้อย่างนี้พระเจ้าอาจจะบีบน่ะบางครั้งนะางางนะจากพุทธคยาไปเทลานาศีอาจจะวิ่งน้อยไปก็ได้นะขยันจากขี้แพพบกแล้วว่าจะมีบ้างพอมาลูรูรูน้ำเนี่ยโอ้ยพ่อแม่ไม่ฉันเอ๊ยจะไปบอกพ่อบอกแม่โอ้ยพ่อตายแล้วอยู่กัแต่แม่อ้ยจะไปบอกแม่ <c oughs> รีบนะ บอกแม่บอกครูอาจารย์นใครสอนกันมาก็ขยันนะไม่ใช่หนีไปไหนหลันก็เราได้ของกินดีๆคิดถึงลูกได้อะไรดีคิดถึงพ่อถึงแม่บังทีจึงอาหารดีๆนะคิดถึงแม่นะแม่ก็ไม่มีแล้ว ี่ดถึงพ่อั้งแม่นะเห็นมักไปสุกๆเหลืองๆมาๆอุย้ยจะก่อนเอาไปฝากแม่นะเดี๋ยที่ไม่ไม่มีใครไปฝากไปถือว่าคนทั้งบ้านเป็นพ่อไปแม่ทั้งหมดแบ่งกันกินนี่ธรรมะนะ่ยพระเจ้าพอตัดโร โอ้ยงงทันทีเลบัวชีเหล่าวทันทีอุคติตันอยู่บุคคลเหมือนบัวพ้นน้ำต่อได้รับแสงสว่างบา น, นทันทีโอ้ยพวกนี้นะใครรู้อุทกาดาบทาดาดาบทาไม่มีแล้วใครอีกละ่ะปัญญบคีน่ะเพราะจะมีปล่อยอาจจะวิ่งน้อยสักสา300อมร้อยกมสามรกม เดินเท่าเป่านะเระตือตัวล้นรถมันพระธรรมถ้าคู่ใดได้สัมผัสกับรถพระธรรมเนี่ยมันจะลึกซึ้งเนี่ยร้อยปีหลวงพ่อเทียนจะมาถึงปีหน้าเนย ดังมีรถกับหลวงพ่อเทียนอยู่ทำยังไงก็ไม่สุดหัวใจหลวงพ่อเทียนสอนให้เรารู้จักรูปทรมนามทำรู้จักธรรมะแล้วก็ได้สัมผัสใม ห, หลวงพ่อเทียนไม่มีกับมีอยู่ในหัวใจเราเนีชีวิตนี่ไม่มีใครที่จะที่เราจะเคารพมาก คือพระธรรมหลวงพ่อเทียนสอนเราให้รู้จักเมื่อเห็นพระธรรมเห็นพุทธเจ้าเห็นพระสงค์เห็นทุกคนมีความรักทุกคนเกิดขึ้นแต่ก่อนรักพี่รักนอ้องเดี๋ยวนี้มีความรักล่นเหลือไม่มีขอบเขตรักแด้กระทั่งเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทราย ทำไมเราไปทะลกันไปโกรธกันอยากจะช่วยเรื่องนี้ทำไมเราไปทุกอยากจะช่วยเรื่องนี้สิ่งที่จะเป็นทุกข์กขเก็บตายนะทำไมจะต้องไปทุกอยากจะช่วยต้องอยากมีโรงพยาบาน ใกล้ๆวัดใกล้ๆเนี่ยหลังๆจะติดต่สอสสมาตั้งโรงพยาบาลใหนะ้บ้านท่ามอาฟัยหวานนะต่างบุรีท่ามอาฟัยหวา น, นะา น, าาานอยากไม่ตึกของเราต่างหากอากไปนอนอยู่ด้านคอยดูคนป่วยใกล้จะตายแล้วนะ <laughs> นะอยากจะไปช่วยดังนี้นะ อันนี้เจารินักศิลป์เขมาช่างหลังหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ทั่วถึงถ้าเป็นโรงพยาบาลเนนะี่คนป่วยมาอยู่จะได้ไปช่วยดูแลอ่ามันก็คิดแบบเนี้ยอยากจะช่วยมันไม่น่าจะทุกมันก็ทำได้จริงจริงมันถ่ายใจม่ได้แต่ไปบอกเขามันปวดจะไปบอกเข า, ม, เขามันต้องปวด เกิดเจ็บตายเน่ยมันจะเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นไปหลงกับความทุกข์ที่ตรงนั้นไม่หลงกับความทุกข์ที่ตรงนั้นไม่หลงกับความทุกข์กันที่มันเจ็บไม่หลงกับความทุกข์ที่มันตายแล้วก็จะได้ประโยชน์แม้มันโอกาสอื่นเนยไม่รู้จะไปบอกตรงนั้นรัดรัดรัดรัด ดับมันด่านนั่นนะเป็นจุดที่มันจะจะพบกันที่นั่นมันปากทางเดินก้หนึ่งก็เกือบจะได้แล้วลงไปบานแต่มันได้รับใหญ่ก่อน <c oughs> เขาอ้างว่ารับใ์ใจเป็นจริงข <c oughs> ้ า, าไฟหวานยังไม่เป็นจริง ยังไม่ได้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รับตั้งโรงพยาบาลด้นี้ติดต่อลองดูว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อยๆที่ท่ามาถไฟวานจะใหจานไปสารจานตุ้มจานเอาถิ่นไปตั้งสร้างตึกของหล่อจักตึกให้คนใขล้จะตายมาอยู่ให้หวัวถิ่นท่านดีมาอยู่ด้วยอ๋อ สะดกวกพูดะไรนั่งกัสำคัญเจ้าร